การปฏิบัติธรรมกันการแบบธรรมนี้เหมือนกับเรากับมุดมาดูแลกันห้าหอว่วก็กายใจของเรากันเหมือนก็บจำแจมร่างกายของเราที่สุขหรอ คือนสุดโสมให้มันใช้ได้ต่อไปอย่างสะดวกพื้นฟูรักษาเยียวยาให้มันดำรงธาตุขันตามหน้าที่ในอย่างสะดวกจิตใจที่มัน หยิบมาใช้แล้วก็เป็นความหลงตายตัวก็เป็นความไม่สบายใจเราก็ได้ใช้ความรู้สึกตัวที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติเป็นเครื่องมือให้มันนำพาเรา ใช้ชีวิตดำเงชีวิตได้อย่างสะดวกว่าชีวิตประกอบได้รูปนามกันหนาประกอบได้กล้ได้ใจจริงๆแ <Okay. S 1> ต่ว่าเราเคยใช้ <Okay. S 1> ตาสี่กันหนาไปตามโลกไปตามยตากรรมตอนนี้เราฝึกปฏิบัติธรรม ตัเอมันเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วใชอย่างเป็นธรรมชาติเป็นปกติธรรมแม่ความคิดมันต่างงานต่งการกลาคืนก็ฝันกลวันก็คิดใช้กรอกของ การเคลื่อนการไหวการฝึกสตินะก็คือมีความรู้สึกตัวจนตั้งแต่ตื่นจนหลับขนาต่อหนะ้าเราก็สัมผัสธรรมสัมผัสกับธรรมชาติไข่ทุก๊กฝ่ายไม่ทุก๊กนะจนเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเหมือนกันซ้ำๆเห็นแล้วเห็นอีก สัมผัแล้วสัมผัสอีกจนมันหายสงสัยชีวิตมันคืออะไรจะอยู่ไปทำไมมันก็ได้คำตอบหรอมันก็อยู่เพื่ออาการนี้โดยเฉพาะอยู่ที่เพื่อที่จะรักษา กาให้มันสะดวกจนตายสุดมันต้องละสังขารนะนะต้องตายเน่าเข้าลงขนะที่เราเห็นนะคนรอดตัวตายนะดยสิ่งที่รู้ไม่ได้นะตายที่ไหนตายเมื่อไหร่ตายด้วยโรคอะไร มันรู้ไม่ได้แต่ว่าที่แน่ๆคือมันไม่หวาดกลัวมันไม่จะดุง้งไม่หวาดผวามันไม่จับจนเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าในความรู้สึกตัวไม่มีอะไรตายมันเป็นปกติการหายใจเข้าหายใจออกมันก็เป็นพลังงาน ของแท4กัน5้าเต็มแสดงตัวแสดงตนตามกฎของธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยจุดอ่อนของกายมันก็มีจุดอ่อนของจิตใจมันก็มีก็คือตัวหลงตัวหลงเนี่เป็นจุดอ่อนตัวโลนี่เป็นจุดแข็ง เราก็ใช้จุดแข่งนั่นแหละที่เป็นวิวัตรพัฒนาเป็นเรื่องของการใช้เวลาทุกทุกขณะได้ความถูกต้องเป็นสัมมาทิิทสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาวายามะเป็นตั้งแต่เริ่มเป็นสัมมาสติสัมมาสมาทิ มันเป็นความชอบเป็นความถูกต้องรู้จึกตัวรู้สึกตัวนะมันเป็นความชอบการเคลื่อนการไหวอะไรกันนะมันเป็นความชอบเราได้ใจเป็นเครื่องมือเป็นกู้เดียวในการดํารงชีวิตของเราสติเหมือนกับอุปการะมากที่สุดมันปลาเบิร์ดใหม่ ทำก็แลกเกินะทำที่มีอุปการะมากที่สุดเราก็รู้จักดีมากกว่าพ่อมากกว่าแม่พ่อแม่เราอยู่ด้วยกันท้ายสุดก็ต้องแยกกันไปใครกรรมตัดรอนก่อนก็ไปก่อนคาว่ากรรมตัดรอนคือการกระทำทีม่มันตัดรอนมันไม่กรรมที่เสริมสร้างมิได้หันมิได้บัน่น มีตัดมิตรทอนลดลงลดลงอายุไกลนะประมาทในการนั่งประมาทในการเดินประมาทในการยืนประมาทในการนอนนะมันก็ไหลนะไหลไปทางความเสื่อมนะอยู่ยากมันเป็นจุดอ่อนนะที่เราต้องซ่อมกันไก้นั่งไก่เดินไกลยืนไกลนอนนะ ิต ท, ที่มันไหลของมันเองตามกฎของธรรมชาตินีไงถ้ารู้ไม่ทันมันก็เป็นความเสื่อมอยู่ยากตอนหายใจมัรู้อยู่ไปทําไมไกลายเปนเรื่องเจ็บปวดกับตอดอึดอัดนะครับแค๊สครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากแต่พอมีความรู้สึกตัวมันโล่งโปร่งเป็นปกติมันเป็นจิตเป็นใจที่ มันสูงเป็นมนรทุนเป็ น, นเทวดาพรอมเป็นพระมันอยู่ในความรู้สึกตัวแต่ถ้าหลงไปมันก็ไหลไปมันก็เสื่อมไปอภัยโยมเป็นเปรตเป็นสันนิชย์เป็นอาสนูรกายเป็นเดรัจฉานเราก็เห็นแล้วก็เลือกได้ในความรู้สึกตัวมันเลือกได้จริงจริงก็จึงเนี่ย มีความกรยันมันเพียนศึกษา ح, เรียนรู้เดินทางก็ต้องใช้กําลังกันหน่อยกำลังศรัทธาก็ต้องมีความเชื่อกําลังของปัญญาก็ต้องมีไหวพริบปฏิภาณในการผ่านกําลังของวิริยะก็ต้องมีองค์แห่งความเพียนเห็นจริงไหน ปรารถนาสิ่งไหนเราก็พยายามที่จะสัมผัสจับต้องกันไเลยตรงๆ ต, ตรงหน้าตรงหน้าไม่หลบไม่ลีกไม่พัดไม่ปอนเดี๋ยวก่อนยังมีเวลาอยู่ยังหนุ่มยังสาวอยู่เชา้าอยู่หนาวอยู่เดี๋ยวกินข้าวก่อนไม่ต้องรอกันขนาดนั้วนวิะยาอเนตี้นี้ก็หมายถึงว่า รู้ได้อย่างต่อเนื่องในรล้วนำการฝึกสติเจริญสติรู้ได้อย่างต่อเนื่องก็หมายถึงว่าเราจิตนารู้กำหนดรู้กำกับรู้รเบื้องตน้นจนมันทาเป็นก็ห ม, มายถึงว่ามันมีสติแล้วอันนั้นเป็นการทํางานโดยอัตโนมัติของเขา มันไม่ใช่หน้าที่ของเรามันเรื่องของธรรมะธรรมชาติเขาจะจัดสรรไปมันก็มีพลังขึ้นมามีกำลังขึ้นมามีสมาธิตั้งมั่นมันมีสมาธิตั้งมั่นพอดีไม่มากไม่น้อยก็ยกให้เป็นอุปจารสมาธิชื่อของเขาใหม่ๆก็เป็นคณิกาสมาธิเราฝึกคณิกาสมาธิออก็มาแค่การงาน ทำงานทำการก็ต้องใช้สมาธิระดับที่เรียกว่ากานิกาสมาธิการปวิงานก็สำเร็จแต่การไม่เห็นตัวเองเห็นรูปเห็นนามอันนี้ก็ส่งเคราะห์ให้เป็นอุปจารสมาธิเอาประมาณสมาธิที่มันดิ่งที่มันลึกเลยอันนั้นก็เหมาะสำหรับกบดานเหมาะสำหรับเข้าฌาน นิ่งแช่เงียบนะอันนี้เราจะไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นนะมันเป็นเรื่องของการพักจริงๆเป็นความสุขสุขนั่งตัวแข็งแล้วก็ไม่สนใจอะไรมานั้งบ่นนะที่เขาเรียกว่าผมลุกพักสมาธิหัวตอ่อมันก็มีอยู่จริงๆเราก็ได้ใช้อยู่ แต่ว่าการเดินทางเราใช้แค่ระดับอุปจารสมาธิเบื้องต้นที่มันเป็นเรื่องของการเห็นตัวเองเห็นตัวเองกําลังคิดกําลังพูดกำลังทํากําลังยกมือเคลื่อนไหวกําลังเดินจงกรมนี่ก็มีกําลังขึ้นมาการเราก็รู้สติที่เป็นสติปัฏฐานนะ มันเคยเป็นสติสัญญาตยานสติรู้ออกไปนอกตัวตอนนี <y <y ้เป็นสติที่รู้เน้อรู้ตัวยริงจริงยิ่งไปเรารู้รู้รู้รู้สติระดับที่เรียกว่าสติปัทานมันก็เหนือสัญญาตยานสติสัญชาตยานก็เป็นแค่สัญญาตยานที่สัตว์เขาก็มีสติรักลูกสติกลัวภัยสติหนีตาย สติที่จะทํางานทําการมันเป็นสติพื้นๆไม่สู้ก็ถอยอะสติระดับนี้แต่ว่าสติประฐานเป็นสติที่หายตัวมันไม่ได้อยู่ไม่ได้สู้ไม่ได้ถอยมันอยู่ตรงที่มันไม่ได้เป็นอะไรสติเลิกรู้ตรงที่ไม่เป็นอะไรวางจากความหมายงความเป็นตัวตนพ้นจากไอ้ตัวแรงดูด แรงเวียงของวัตาสงสารของโลกโลกียะก็คือเพราะเสพจึงติดเพราะติดจึงอยากว่าอยากจึงเสพเพราะเสพจึงติดเพราะติดจึงอยากเป็นราคาปฎิกะเป็นเรื่องความไม่รู้หรือว่ารู้ไม่ถูกมันก็เป็นแรงดึงดูดให้เราได้เป็นผู้ที่เกิดดับเกิดดับเป็นพบเป็นเจ้าจิลามรณะอยู่เวียนว่ายตายเกิดในความคิด เหมือนกับโลกใบนี้มันมีแรงเวียงของมันนะคือหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนมะุนหมุนหมุนตามกระแสนะแรงเวียงของกระแสะแม่เหล็กโลกเนะี่ยมีแกนเอกแก น, แกนวายนะมันหมุนหมุนหมุนจนกระั่งเรานั่งอยู่ติดกระพื้นโลกนะแต่แกนไปสูงสูงก็ไหลแรงน้มถ่วงนะจนเข้าถึงหนอนอวกาศ มันก็ลอยตัวอิสลาภาพของมันตามกฎของธรรมชาติบัตรสงสารหรือว่าสงสารวัดก็เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นแรงดึงดูดกับดักให้สัตว์โลกผูกข้องอยู่ในวัตถุกรรมคุณในติดในยึดหนุบเลยรักโลกห่วงผู้คอรักพ่อรักแม่ปอผูกแกนสมบัติแก้วแหวนแว่นผูกขาดูดติด สะสมบัติวัตถุ ก, กรรมคุณต่างๆมันก็เงินในใ บ, บนี้วิศวกรรมอุตสาหกรรมนวัตกรรมต่างๆมันก็หาสตางหาเงินเป็นเป้าหมายเรียนรู้เพื่อเงินอย่างเงี้ยแต่ว่าสติปัฏฐานเกิดจากฐานของกรรมหรือว่ากรรมมฐานตัวนี้กรรมาฐานทาไมเกิดธรรมชาติขึ้นมาคือ มีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญามันเป็นธรรมะนะธรรมะนะที่มันดูแลปกป้องคุ้มครองนะทําเราได้ใช้กายใช้ใจอยู่กักายกับใจอย่างปาสุกนะี่ก็คือความเป็นปกติความเป็นปกติมันก็จึงอย่างเช่นเมื่อวานที่พูถึงนั่นนะนะเป็นมา ก, กวิถนะีที่จะนําเราไปสู่การเหนือ เกิดนืแก่เนืเจ็บหนือตายเปลี่ยนวัยไตเกิดในวันตาสงสารแล้วก็ปรารถนาสิ่งนั้นกันปรารถนาที่จะทำตัวเองให้พ้นไปในภพในชาตินี้แหละมันไม่รอชาติไหนแล้วนะเพราะว่ามันมันเสี่ยงมันเสี่ยงว่าการเกิดในภพชาติต่อไปนยมันจะมีหรือไม่มีแต่เราเชื่อว่ามีเราเชื่อว่ากรรมมีจริงทําดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วนะเชื่อว่าภพชาติหน้ามีจริงนะ วันนี้มีพรุ่งนี้มันก็มีวันนี้มีวันนี้ผ่านไปก็เป็นว่าวานอาดีตอดีตมีอนาคตมีแตวนน่ว่าวันนี้สําคัญเมื่อวันนี้สําคัญเราก็ใช้เวลาใช้กายใช้ใจใช้ให้เกิดคุณค่าจริงๆก็คือนํามาพัฒนาให้ยิ่งๆจากมนุษย์เป็นพระจากกาลยานกปุถุชนเป็นพระ จากผู้เรีนเป็นมนุษย์เนี่ยก็เรียกว่ามามืดไปสว่างมาสว่างไปสว่างเราไม่มาสว่างกลับไปมืดมามืดกลับไปมืดอีกต่อไปนะฮะคือการวิวัฒนาการปฏิบัติธรรมของเราก็มุ่งตรงตรงนี้แหละเราจะไม่ได้มาหายอยู่หากินหานั่งหาเดินหายืนห า, น, ห า, น, หานอนมาหา เ, เพราะว่าไม่รู้จะอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ก็คงไม่ใช่นะ หลายคนก็ทิ้งมาทิ้งทรัพย์สมบัติเอสังหาริมทรัพย์บ้านที่อยู่อาศัยการงานต่างๆสังหาริมทรัพย์เงินทองความดีความงานทั้งหลายทิ้งก็กลัวทิ้งลูกทิ้งเต้าหรือว่าเรียกว่าวางกันแหพร้อมที่จะกับพิยบจุยแต่ว่าเราเห็นความสําคัญกันความสําคัญในว่าที่วัดป่าสุตโตเราใช้บรรยากาศอากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็เป็นไปเพื่อมารู้ธรรมนั่นแหละการฝึกสติเพื่อให้มันแตกฉานจะต้องเป็นเรื่องของคำสอนที่มีอยู่ในตัวเราคำสอนในพระไตรปิฎกดหมนพันพระธรรมขันสอนเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องมรรคผลนิพพานทุกออกจากทุกมันมีอยู่ที่ตัวเราจริงๆในความรู้สึกตัวนั่นแหละ มันเป็นทุกอย่างความรู้สึกตัวจักหยาบก็คือความรู้สึกตัวขณะดสัมผัสเกินไหวอนนี้หยาบสุดการเดินจงกรมหยาบสุดลองลงมาคือหายใจรั่วกพิบตาอันนี้เราเห็นได้จริงๆนั่งยกมือนี่ห่างๆก็มองกันเห็นแต่นั่งดูลมหายใจรัว่วความคิดนี่ของใครของเรามองยากความคิดนี่ เกิดขึ้นที่ตัวเราเราเองเราก็เห็นยากแต่ว่าไม่ยากถ้าหากว่ามองผ่านสติตาในของเราที่มันคือความรู้สึกตัวหรือว่าปกติธรรมความเป็นปกติเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดปกติเกิดขึ้นมาเ น, ะ น, ะ น, ะนะื่องากความคิดทิมเคยคิดแล้วก็เป็นเป็นภูมิต่างๆมันก็ถูกรู้เท่ารู้ทันตรงนี้แหละทิมเรียกว่าปิดประตูบายได้นะ เนียว่าทุกเน่ยมันจะเกิดในยากที่สุดบาป ก, กรรมมันจะเกิดในยากที่สุดเพามเห็น<ม>ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองเนะไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นมาเนีเรารู้สึกตัวทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมฤดูกาลก็ยังเหมือนเดิมเวลาก็ยังกืนกินสรรพสัตว์สรรพสิ่งเหมือนเดิมเขาไม่ไปทำํำก็เป็นของเราเหมือนเดิม ทุกสิ่งทุกอย่างกฎของพระไตรลักษณ์ก็เหมือนเดิมแต่มุมมองแง่คิดของเราไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันมองเห็นโลกตามความเป็นจริงมันเห็นจริงๆมันเห็นเป็นอาการเป็นวัตถุมันเห็นเป็นวัตถุมันเป็นอาการมันเห็นอย่างนี้เห็นเป็นปรมาตตาสภาวะอย่างนี้เห็นก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักว่าได้ยินกลิ่นก็สักว่ากลิ่นรสก็สักว่ารส สัมผัสก็ศัพท์ว่าสัมผัสคิดก็ศักท์ว่าคิดอารมณ์เกิดขึ้นมาก็ศักท์ว่าอารมณ์อย่างเงี้ยเป็นธรรมชาติเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันก็ทําให้เราตาสว่างก็คือมันเกิดปัญญาขึ้นมาสติปัญญาทําให้เกิดความสว่างสวัยปัญญาโลกัสมิงปัญญาสว่างแจ้งโลกมันสว่างสวัยจริงๆมันกระดาษนี้เราเปิดไฟนิออน กลางคืนก็เปิดไฟพระจันทร์ดวงดาวเป็นสว่างกลางคืนแสงหิ่งห้อยสว่างตอนคืนพระจันทร์สว่างกลางคืนพระอาทิตย์สว่างกลางวันแต่ว่าปัญญามันสว่างทั้งวันทั้งคืนนี่เราก็สัมผัสความรู้สึกตัวนั่นแหละตัวรั้งที่เรารู้สึกตัวมันก็ตื่นรู้ตื่นเบิกบานตื่นตัวตื่นตัวเนี่ยเป็นตัวสว่างมันเห็น เห็นกายเห็นใจเห็นรูปนากันให้เห็นโลกตามความเป็นจริงโลกคือสมมุตินั่นเองมันมีสมมุติมันก็เกิดโลกขึ้นมาแต่พอมันไม่มีสมมุติมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเดียวกันไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีบุญไม่มีบาปมันไม่มีอะไรหรอกกุศลมกุศลมันก็ไม่มีมันก็มีแต่ความเป็นเช่นนั้นเอง มันมต่ iPad. ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎของมันเช่นน mm hmm. ั้นเองตรงนี้แหละที owns. ่มันเปลี <t <t ่ยนไปใจของเรามันเปลี <t uh> <t uh> uh ่ยนไปแง่ค uh ิดมุมมองเปลี่ยนไปแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมก็ยังไม่ชอบเราเหมือนเดิมเขายังโกรดเราเหมือนเดิมก็กําลังยินแต่เราเหมือนเดิมอันนั้นก็คือลักษณะของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราโลกเปนเรื่องของโลกมัไม่ใช่เรื่องของเรานะ แต่เราก็คือโลกขคือสิ่งเดียวกันนะนั้นก็จึงตรงนี้แหละมันจึงเหนือเหนือเหตุเหนือปัจจัยทีมจะปรุงแต่งใจเราไม่ได้เหตุปัจจัยมันก็ของกายของเรานะเพราะฉะนั้นเราทุกคนอยู่ร่วมกันก็ต้องต่างคนต่า ง, ต, างต้องรักษาดูแลกายใจของเราเองนะใจความรู้ความสามารถฝึกตนเราเองตรงนี้มันช่วยกันไม่ได้แต่ว่าก็เป็นกลยามิตรกันได้นะ เป็นเพื่อนที่ชี้นำบอกทิศบอกทางกันได้ตามสมควรแก่ทำสมควรแก่กาลาเทสะสมควรแก่การเกี่ยวข้องกันตามเหตุตามปัจจัยต่างๆตื่นยันหลับตามสมควรยศ ท, ที่เขาให้กันไว้เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นภิกษุภิกษุณีเป็นสามนเณรเป็นอะไรก็ตามนะ สมมุติกันไวนะ้อันนั้นก็เพื่อให้เราเกี่ยวข้องตามบัญญัติของสังคมนะส ม, มุติบัญญัติที่มนะีเพื่อเกิดความเรียบร้อยแล้วก็ดีงามเนกะิดความสะดวกนะในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่งางพึระสุกต่อไปอย่างเงี้ยแต่พอเราตั้งใจที่จะใชนะนะ้ความรู้สึกตัวที่มันมีอยู่น่นะก็มันมีอยู่ตลอดเวลานี่ยแหละความรู้สึกตัวนะมันมีอยู่ สติปัญญามันก็มีอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ว่าบางทีมันน้อยเกินไปมันไม่พอใช้เราก็ยังพึ่งไม่ได้ถ้ามันพึ่งได้แล้วพอใช้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความสะดวกจริงๆรูปนามกันห้ามเป็นความสะดวกหลวงพ่อกำเขียนนั่นก็เลยชอบพูดว่าทุกคนในนี้อาจจะได้ยินหรือว่าอาจจะไม่ได้ยิน แต่ว่าผมเล่าธรมาเนี่ยได้ยินก็จะพูดว่าหลวงพเขียนน่าจะบอกว่าเออจะไม่เอารูปนาำกันแน่นี่มันเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยมันก็จะกาดออกมาแล้วก็มันก็จะแสดงออกมาโดยส่วนลึกๆของจิตของใจกันทุกค น, นถ้าฝึกมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะเกิดคําพูดนี้ขึ้นมาก่อนที่มันจะพูดออกมามันสงสารตัวเองก่อน มันเห็นกายมันสงสารใจมันสุขมันทุกมาเอามันมาเป็นความสุขความทุกอย่างยนะศัยจิตใจของเรานใช้จิตใจใจของเรามาเป็นความสุขความทุกอย่างคิดแล้วก็หัวเราะคิแล้วก็ร้องไห้คิดแล้วก็ผิดปกติหม่ำรู้แล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ไม่เอารูปนามการให้เป็นความสุขความทุกนจะใช้ให้มันเป็นธรรมชาติใช้ให้มันทําดีน พอกามาทำดีอาจารมาทำดีวาจารมาทำดีำดำด mm. อย่างเงี้ยนะความรู้สึกตัวมันเป็นอย่างนั้นนะการวิวัฒนากนาะรลูปนามกันห่างเราก็ใช้ได้จริงๆเราก็ใช้ให้มันผ่านนะใช้ให้มันผ่านทุกนะให้มันผ่านทุกไม่ติดใจไม่ติดขวาการ ม, มาสุ ข, ขาและการโยกหรือว่นะอาอัตตากินเหล็มฐานโยกนะมันก็เป็นมัจจิมาปฏิปทาเดินทางไป ไปสู่จดหมายปลายทางของชีวิตซึ่งต้องเดินไปคนเดียวจอมยุทธต้องไปคนเดียวผู้ที่พยายามฝึกปฏิบัติธรรมต้องไปคนเดียวตัวใครก็ตัวเรากายกครก็ใจกายกายกายก็กายกาหรือว่าใจใครก็ใจกายกายเราก็คือกายเราใจเราก็คือกายใจเรากายใจของเราที่ว่ากายใจของเราคือเราจะได้ใช้ทําหน้าที่ ทัดขันแต่ว่าท้ายสุดมันก็ไม่ใช่ของเราเนาะทำดีทําชั่วรู้ทําทอะไรก็ตามมันก็จะแสดงผลติดตามเราไปแต่ว่ามันไม่ใช่ของเราหรอกแต่เมื่อเรารู้มันตรงนี้แหละทำใจะเกิดอโหสิกรรมขึ้นมามันเหมือนว่ากรรมมีแต่ว่ากัดไม่ได้ทุกคนก็เคยรับรองได้เลยศี่ห้าคือผิดมาแล้วทุกคนนะ ศีลแปก็ผิดมาแล้วทุกคนนะหรือว่า2องยบเจก็ก็ผิดมาแล้วทางนั้นสามร้ิก็ลืมศีลมันมีเต็มโล ก, กเชื่อว่าทุกคนก็ผิดมาแล้วทางนั้นไม่มีใครหรอกมันจะถูกมานีมันผิดมาแต่ว่าอาศัยบุญเก่าอยู่ก็คือมันก็คงจะเคยใกล้ชิดกับศีลกระทำนี่แหลนะเคยคิดที่จะฝึกจิตฝึกใจกันหาทางออกตั้งสัจจัยฐานจิตกันไว้นะ จนได้มีโอกาสที่จะฝึกหัดปฏิบัติรรมเจริญสติอย่างเต็มรูปแบบนะมันเกิดวันนี้ก็มาไดนะ้ตรงนี้เราก็จึงไม่พยายามใช่บุญเก่ากันอย่างเดียวเราก็ต่อยอดกันนะบุญใหม่สร้างบุญใหม่นะว่าบุญสูงสุดบุญที่เกิดจากนะเรามาเป็นจิตตะภาวนาหรือว่าไนะตริกา สติสินสมาธิปัญญาที่เรา ส, สร้างให้มันจเจริญงอกงามสิ่งที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็นํามาประกอบเอามาเป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานตัวนี้แหละเนาะเราก็จึงนี่ย น, นะอยู่ร่วมกันแบบไม่เบื่อหน้าเบื่อตาเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่เรียกว่าเวลาใหม่แล้วก็วัตถุอาการต่างๆก็เป็นวัตถุอาการใหม่ๆคณนะตอนนะ่อคณะ เราก็จึงลืมสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนที่มันเป็นเรื่องเลา่าทำให้กล้นก้องมองใจเราก็ไม่เอามาใส่ใจอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ในหัวใจของนักปฏิบัติเราใส่ใจกับรมนามกันห้าใส่ใจกับความรู้สึกตัวตรงนี้จากอยาไปหาละเอียดในว่าจิตคิดเนี่ยโหอาการหยาบยาของจิตคิดที่เคยสังเกตเห็น ในตัวเองนะนะในตัวเองไอตัวจิตมนคิดเก่งๆนะแล้วก็เป็นโทวเป็นผพดเป็นพลยส่วนใหญ่นะมันก็จะคิดในเรื่องของตัวหยาบสุดของธรรมกนะ็คือโทสะนะตัวโกรธทะโทสะโกรธทะเนี่ยเป็นกึ่งเครียดผูกกต่อมาเราก็ได้ใช้นะแล้วหน้าของเมตตาให้อภัยนะมันก็เป็นเรื่องของคิดเมตตาคิดให้อภัยแต่ตรงนี้เอาไม่อยู่ มักคิดเมตตาคิดแห้ภัยแต่ก่อนคิดเมตตาคิดแห่ไพ่มันก็เป็นตัวคิดลงโทษเกิดมาก่อนแต่ว่ามันคิดลงโทษคิดทําคิดทําไม่ได้เพราะว่ามันมีกรอบของชุมชนมีกรอบกฎหมายจริงจริงมันจะคิดจะฆ่าจะแกงอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้มันก็ต้องต้องคิดเพื่อแห่ไพ่คิดแห่ไพ่คิดไม่เอาเรื่องเอาราวเนี่ย อันนี้มันเกิดจากเราเมตตาตัวเองก่อนสงสารตัวเองก่อนเสร็จแล้วเราก็สงสารวัตถุอื่นสิ่งอื่นต่อไปบุคคลอื่นต่อไปอย่างนี้นะแต่พอเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยหายตัวะมันไม่มีใครทําอะไรเราเขาพูดก็พูดเข้าไปมีผ้าวิจารณ์ิตตกวิจารณ์อย่างนี้ยเราก็เห็นแล้วเราเคยมิดตกวิจารณ์ิผ้าวิจารณ์แบบนั้นเหมือนกันนะ ตัวเมตตาก็จะเป็นตัววิกวิจารณตัวหนึ่งนะในความเห็นของตนเห็นว่าตัวให้อภัยนะีอันนี้คือตัววิววกวิจารณตัวหนึ่งก็เป็นองค์ของโยนิสสุมิจฉาการมองอย่างเ ย, ยบกายนะเป็นองค์แยกแยะคุณค่าแท้คุณค่าเทียมนะมันให้ผลดีอย่างไรให้ผลไม่ดีกับเราอย่างไรอย่างเงี้ยมันชั่งน้ําหนักแล้วมันก็เลือกทําในสิ่งที่ปลอดภัยนะกับตัวเองนะ แต่พอเรารู้สึกตัวปั๊บมันกลายเป็นว่ากระทบตะละกขันนี่ไม่ไม่มีความหมายอะไรเนี่ยแล้จุดนี้มันเปลี่ยนไปอย่างมาหานนะัาลัยมันเป็นไปในทิศทางทีนะ่เป็นความหัศจรรย์ที่เราไม่เคยสัมผัสนะพอเป็นมีความรู้สึกตัวนะี่มันจริงๆนะเวลาทะเลาะกันหรือว่าเราไม่พอใจนะก็แสดงว่ามันหลุดไปแล้วจากความรู้สึกตัวจริงๆริงแต่ถ้าเรายัางรู้สึกตัวอยู่ก็ต้อสัมผัสรู้สึกอนะันั้นลองไปคุยกับคนดู ลองให้เพื่อนก็ได้แสดงออกตามที่เขาเป็นเดี๋มันจะแปลกไปเลยมันจะไม่รับเลยนะตรงนี้แหละจึงบโหความรู้สึกตัวนี่นเป็นเรื่องที่อศัศจรรย์จริงๆนะทุกครั้งที่กระทบสัมผัสรู้สึกนะไปทํางานทําการให้มีความรู้สึกตัวตรงนั้นนะมันขยายผลไปได้ไกลมากเลนะไกลถึงขั้นที่เราว่านะไม่ทุกตะละขหนาไม่ทุกตะละขณะเนะ่ยความรู้สึกตัวมันจึงต้องประกอบแล้วก็มีอย่างมากมายนะ ที่เรามหาสตินะมีอย่างมากมายเหมือนที่เรานั่งพื้นกระดานเนี่ยลองนึกดูนะศาลาใหญ่ๆแล้วก็นั่งแล้วก็ปลอดภัยฝนตกไม่เปียกนะจัดจ้าลาสิ่งมาแล้วก็เรียกว่าปลอดภัยดูมีชั้นเชิงดูมีชัยภูมิที่ดีนะแต่ศาลาไม่ได้มีพื้นกระดานแผ่นเดียวนะมีหลายแผ่นมากสติหรือความรู้สึกตัวของเราก็ทุกๆขณะประกอบให้มากจนเป็นมหาสติ มันก็พึ่งได้ปลอดภัยจริงๆนะข้าวแต่ล ะ, มะเมล็ดเนี่ยเราตักใส่ปากเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เม็ดเดียวนะมันหลายเม็ดมากเลยนะมันถึงอิ่มนะอิ่มว่าลมหายใจของเราก็เหมือนกันหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเราหายใจมากจริงๆนะตอนตั้เกิดจนกระทัเนี้ยหัวใจเต้นเนี่ยมากจริงๆมันไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วก็จบไปแล้วก็คือมีความสําเร็จเลยไม่ใช่ ฉันใดก็ดีอุปมาอุปไมยเนีความรู้สึกตัวขนาดต่อขนาดเนี่ยต้องประกอบมากจริงๆริมากจนกระทั้งเต็มพื้นที่เราจะทราบได้ไงว่าความรู้สึกตัวของเราเต็มพื้นที่มันก็ต้องทั่วสารพางกา ย, ยหรือว่ามันรู้ตัวทั่วพร้อมทุกทุกขณะจนกทางจิตมันปกติทุกทุกซอกทุกทุกมุมเราสังเกตได้ไงว่าจิตมันปกติทุกทุกซอกทุกทุกมุมก็คือ เราเห็นนะความคิดมันอยู่ห่างๆนะเวลามันเกิดเนี่ยเบามากเลยนะหรือว่าบางทีมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเลยเพราะว่ามันอยู่ในแดนนะจะว่าแดนสุขาว่าดีกว่าดนะในในความเป็นปกติมันมีความสุขอยู่ด้วยมันมีสติมีความรู้สึกตัวมันมีปัญญานะมันมีความเห็นถูกเห็นตรงมันมีปัสธนะิความสงบกายสงบใจนะกายลตตาจิตตาโลตามันมีอยู่เบากายเบาใจ มันมีปิติมีความอิ่มใจมันมีอยู่มันมีทุกสิ่งทุกอย่างมีการสอดส่องทำเห็นทำ ม, มันมีอยู่มันมีความขยันพะเราเห็นแล้วตัวนี้คือช่องทางของความสาเร็จในชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็ จ, จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนก็คงจะได้สัมผัสล้ควรได้สัมผัสในสิ่งที่มันมีอยู่จริงๆ แล้วก็เป็นกำไรชีวิตของเราด้วยที่สาคัญที่สุดอย่างงี้นะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนที่นะตั้งออกตั้งใจนะใช้ธาตุกันนะเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือจารจิติพฐานก็ขอให้เราได้เหมือนกับว่านะใช้อา น, นิสงส์งของวันเนี้ยนะปัจจุบันเนี้ยนะได้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือสามารถที่จนะเข้าใจตา ม, มา ต, ตามสมควรแก่การปฏิบัติแล้วก็เข้าถึงสภาวะธรรมนะ เบื้องต้นตามการที่สุดก็ขอให้ประเด็นเกิดนในปัจจุบันนี้หรือว่าในวันนี้โดยทุกตัวนากันทุกท่านทุกคนนั้นเตือน